สิกขาบทที่6ถามทรงบัญญัตทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเทน้ำล้างบาทมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านณที่ไหนตอบทรงบัญญัตณภคคะชนบทถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูป